อธรรมะกรรมมทวาทสกัดว่าด้วยอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตที่ไม่ชอบทำสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดี คือลงลับหลัง 2. ลงโดยไม่สอบถาม 3. ไม่ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติประกอบได้องค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดี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 และระงับไม่ดีคือ 1. งลงลับหลัง 2. ลงโดยไม่ชอบทรราม 3. สงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัติประกอบได้องค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัยและระงับไม่ดี หมวดที่5ภิกษุทั้งหลายอุกเคปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงโดยไม่สอบถาม 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมามสงแบ่งพวกกันลง